ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปอปยุโตต อ, อนที่18ก็ได้พูดไปถึงเรื่องธรรมชาติของคนเราเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดมาอยู่ในโลกต้องดำเนินชีวิตไปท่ามกลางสิ่งแวดลอ้อมทำไงจะเป็นอยู่ได้และก็เป็นอยู่ให้ดี อนนี้ในเมื่อยังไม่รู้จักอะไรก็จะปฏิบัติต่อชีวิตของตัวเองแล้วต่อสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องเมื่อเมื่อไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงนี่ก็ทําให้เกิดความติดขัดบีบคั้นในตัวเองก็คือเกิดความทุกข์แล้วเกิดปัญหา mm hmm. ก็เลยบอกว่าเพราะว่าไม่รู้นั่นเองอก็ทําให้เกิด สิ่งทีเรีว่าทุกข์หรือปัญหาเพราะนั้นความไม่รู้เรื่อวิ ช, ชาก็เป็นตัวสาเหตุของความทุกข์ทีนี้ว่ามนุษย์ก็ต้องการความรู้เพราะาถ้ารู้แล้วก็ดําเนินชีวิตไปได้เพราะว่ารู้ว่าจะทํำยังไงจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรความรู้ ก็เป็นตัวทําให้พ้นจากทุกพ้นจากปัญหานั่นสิ่งที่ตรงข้ามกับความไม่รู้ก็คือความรู้ความไม่รู้เรียกว่าอาวิชาความรู้ก็เรียกว่าวิชาแต่ว่าคำว่าวิชานี้ก็สงวนไว้สำหรับความรู้แจ้งเรื่องธรรมชาติจริงๆนี่ความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้มันยังไม่รู้จริงอะรู้พอได้เป็นอยู่ได้ก็เลย ให้สับ ก, กว้างกว้าง่าปัญญาทีนี้เอาวิชาความไม่รู้คู่กับทุกวิชาแล้วก็ในระดับทั่วไปแล้วก็ปัญญานี่ก็คู่กับความพ้นทุกพ้นปัญหาหรือว่าไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกเราก็เรียกว่าวิมุตนั่นก็วิชาคู่กับวิมุตในขั้นสูงสุดก็จะสับก็จะมาคู่กันเลยวิชาวิมุต นี่ในระหว่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาก็ทำให้เราลดความทุกข์ลงหรือทุกข์น้อยลงก็เป็นระดับที่เรียกว่าสัมผัสนะสัมผัสนี้ก็จะทุกข์น้อยลงก็มีสุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปอันนี้ว่าในการที่มนุษย์จะ ดำเนินชีวิตยอยู่ได้อย่างนี้ยที่ว่าจะมีความรู้อะไรเราก็มีเครื่องมือติดมากระตัวที่ว่ามาแต่ตัวนะที่จริงมันตัวมันไม่เปล่ามันก็มีเครื่องมือสําหรับมาสื่อสารกับโลกกับสิ่งแวดล้อมก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะหรืออินทรีย์เรียกว่าอายตนะเพราะว่าเป็นแดนที่ใช้ติดต่อ ก, กับโลกภายนอกเรียกว่าอินทรีย์เพราะว่า เป็นอวัยวะที่เป็นเจ้าหน้าที่สําหรับทําการอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าทําการเห็นทําการได้ยินเป็นต้นนี้เราก็มีอญญาตนาลีนสี่นี้มาสื่อสารติดต่อกับโลกอนี้อญญาตนาลีนสี่นี้ก็ทําหน้าที่ในการสื่อสารกับโลกก็ทําหน้าที่เป็นสองอย่างคือ รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสีเขียวสีแดงสีเหลืองเสียงสัตว์เสียงแมวเสียงคนอะไรเป็นต้นการอีกด้านหนึ่งก็คือรู้สึกรู้สึกก็สบายไม่สบายทีนี้ในด้านรู้นี่เป็นเรื่องที่ว่าจะแก้ปัญหาโดยตรงจะทำให้มนุษย์ดำดินชีวิตยอยู่ได้แต่ว่าการรู้นี่ต้องอาศัยการเวลาพอสมควร กาจะได้ความรู้มาต้องมีกาวความสัมพันธ์ระหว่างแม้แต่ว่าตัวอายตนะอินทรีย์อย่างว่ารับรู้เข้ามาทางตาแล้วเข้าไปในใจต้องมมีการเชื่อมโยงความรู้อีกกว่าจะได้เป็นปัญญาที่จะมาใช้ประโยชน์สำหรับดําเนินชีวิตได้หรือทำอะไรต่างๆได้อันนั้นกระบวนการที่จะเกิด เป็นความรู้เป็นปัญญานี่มันมีความซับซ้อนพอสมควรพูดง่ายๆ ก, ก็ต้องอาศัยเวลาต้องใช้ความเพียรแต่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านรู้สึกนี่มันเป็นเรื่องที่ว่ามีผลในการดำเนินชีวิตได้ทันทีเลยพอรู้สึกว่าสบายก็มีปฏิกิริยาชอบใจได้ทันที ถ้ารู้สึกไม่สบายก็ไม่ชอบใจก็เป็นไปได้ในทันทีอันนี้ด้านความรู้สึกนี่แหละก็เลยเข้ามาชักนกําการดําเนินชีวิตของเราก่อนว่าเมื่อรู้สึกสบายก็ชอบใจก็จะอยากได้จะเอาถ้าว่าไม่สบายก็ไม่ชอบใจเกลียดชังจะหลีกจะห น, นีจะทําลาย เนี่ยได้ความรู้สึกก็เลยเข้ามาเป็นตัวเด่นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ขั้นต้นเมื่ อ, อยังไม่ได้เรียนรู้ไม่มีปัญญาเพียงพออันนี้ด้านที่ว่ารู้สึกนี่สัพ์พระรู้สึกส บ, บายไม่ส บ, บายเฉยเฉยเรียกว่าเวท น, า, นาเป็นเวทนาที่ส บ, บายเป็นสุขกสุขเวทนารู้สึกไม่ส บ, บายทุกเรียกว่าทุกเวทนารู้สึก เฉยๆเผลิลๆก็เรียกว่าอุเบกขาหรืออาทุคธรมสุขเวทนาที่จริงเวทนาควารู้สึกนี้ยังแบ่งกอนไปอีกเป็นละเอียดแบ่งสามก็ง่ายๆที่ว่าสุขทุกเฉยๆทีนี้ถ้าแบ่งละเอียดก็แบ่งเป็น5แบ่งเป็นสุขกายทุกกายแล้วก็มีสุขทางใจเรียกว่าดีใจเป็นสมนัตแล้วก็ทุก ทางใจไม่สบายทางใจเรียกว่าโทมนัสแล้วก็ไปอุเบกขาก็เฉยๆนี่เบทนาก็เลยแบ่งละเอียดเป็น5 5หก็ไปแยกที่กายกับใจนั่นเองรวมแล้วถ้าเราไม่ไปแยกกายแย ก, ยกใจก็เรียก็นกลางๆว่าสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆก็เป็นสนี่ความสุขความทุกข์ที่มีแค่เนี้ยแต่มันมีอิทธิพลยิ่งใหญ่เหลือเกินจนกระทั่งเราเห็นได้ว่ามนุษย์นี่ บางทีที่ดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรเนี่ยเพียงเพื่อจะหาความสุขแล้วก็หลีกหนีความทุกข์เท่านั้นเองนั่นเรื่องเวทนานี่เหมือนกับว่ามันนิดหน่อยนะมันมีแค่สามหรือหเท่านี้แต่มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของแต่ละคนต่อโลกทั้งหมดต่อสังคมมนุษย์เหลือเกินอันนี้จากเวทนานี่แหละที่มนุษย์ต้องการจะเอาแต่ที สบายหลีกหนีไม่สบายนะก็ตามมาได้ย่างที่ว่าว่าชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจก็ตันหานี่เจ้าตันหาที่ชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละมันเป็นตัวที่มาสัมพันธ์กับเวทนาเวทนานั่นเป็นเพียงฝ่ายรับนะฝ่ายรับก็คือว่า มันเป็นเรื่องที่เกิดตามธรรมชาติเวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆ้ดยตาหูเป็นต้นมันก็รู้สึกแต่นี่ที่จะเป็นเรื่องของเราเองก็คือปฏิกิริยาตอนชอบใจไม่ชอบใจที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยและตอนที่มันจะมาบงการหรือว่าบรรชาชีวิตนำชีวิตของเราก็ตอนที่เป็นตัณหาเวทนานั้นมีที่ผลมากแต่อาจจะไม่ครอบงาเราท่านเรามีปฏิกิริยา ถูกต้องหรือไม่มีปฏิกิริยาในทางชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่าตอนที่ว่าเรามีปฏิกิริยาต่อ้ความรู้สึกนี่แหละที่สําคัญพอเรามีชอบใจไม่ชอบใจไอ้จุดชอบใจไม่ชอบใจก็คือเริ่มเป็นการกระทําของเราเองเวทนาความรู้สึกนั้นยังไม่ถือเป็นการกระทําของเราเองและถือว่าเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อเราไปสัมผัสกับแสงสว่างที่จ้ากเกินไปเราก็ไม่สบายตาใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่เกิดมาแต่ทีนี้ว่าพอเรารู้สึกไม่สบายทีนี้เราไม่เอาไม่ชอบใจตอนนี้เป็นการกระทําของเราแหละเป็นการกระทําทั้งใจอันนั้นการกระทํ a ของเรานี่มันเริ่มต้นในตอนที่ชอบใจไม่ชอบใจไม่ใช่ต่อรู้สึกต่อรู้สึกนี่ถือว่าเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเป็นไฟรับการกระทําของเราก็เป็นอันว่า ตอชอบใจไม่ชอบใจที่เป็นตัญหาแล้วชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละที่จะเป็นตัวนาว่าถ้าชอบใจก็จะเอานะถ้าไม่ชอบใจก็จะเลี่ยงจะหนีจะทำลายนี่ความชอบใจไม่ชอบใจก็จะเป็นตัวนาอย่างที่ว่าแล้วก็ทำให้เราเริ่มแต่คิดว่าทำไงจะได้สิ่งนี้มาหรือทำไงจะหนีอันนี้ไปทาลายมันได้จากการคิดก็ออกมาสู่การเคลื่อนไหว ใช้มือใช้เท้าเช้าเดินไปหาไปเอามือหยิบอะไรต่างเป็นต้นหรือถ้าเป็นปในทางไม่ชอบใจก็อาจจะใช้มือผลักมือทำลายไปเลยหรือเท้าก็พา ว, วิ่งหนีไปเลยอันนี้ก็เป็นอันว่าด้านความรู้สึกก็ต่อด้วยเรื่องความชอบใจไม่ชอบใจเรียกว่าตัญหาตัญหาก็เป็นตัวนำชีวิตไปอันนี้ ด้านความรู้สึกเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยความรู้ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่กับพวกเดียวกับอวิชชาเมื่อยังมีอวิชชาความไม่รู้อยู่มันก็เป็นช่องว่างให้ตัณหาเนี่ยมาเป็นตัวนำทางชีวิตนั่นก็ถือว่าเป็นอวิชชานี่เป็นปัจจัยกับตัณหาคำว่าเป็นปัจจัยนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นตัวทำให้ตัวนี้เกิดแต่หมายความแม้แต่เพียงว่าเป็นตัวเปิดช่องให้ก็ถือว่าเป็นปัจจัย ทำว่าเป็นปัจจัยนี่มีความหมายกว้างเป็นตัวเกื้อหนุนเป็นตัวให้โอกาสเป็นตัวที่สืบเนื่องกันอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เลยได้หนึ่งวิชากระทุกขมาแล้วเนี่ยคู่กันทีนี้แทรกกลางเข้ามาก็คือตันหาใช่ไหมพอวิชาเป็นตัวช่องว่างเปิดอยู่ตันหาก็เข้ามาเป็นตัวบงการชีวิตของเราน เราก็ทําไปโดยที่ว่าอาวิชชาเป็นฐานเป็นพื้นอยู่มันก็ไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีความรู้ตันหามันจะนําไปก็เอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจนะีซึ่งขึ้นต่อเวทนาที่ได้รับว่าเป็นสุขเป็นทุกข์นี่การที่ตันหามานําชีวิตนี้ก็ไม่ปลอดภัยอย่างที่ว่าไปแล้วนะนี่ได้ที่ว่าใช้ตันหาเป็นตัวบงการแล้วก็มุ่งไปที่เวทนาความรู้สึกนี่ ตัณหามันก็จะเอาไอ้เวทนาที่สุขแล้วก็มาจะเลี่ยงเวทนาที่เป็นทุกข์นี่นี่คือเรื่องของตัณหาแล้วตัณหามันมุ่งไปที่เวทนาอย่างเดียวอันนี้ในเมื่อมันมุ่งที่เวทนาเวทนานั้นได้รับผ่านมาคือเป็นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ตาได้เห็นสิ่งที่สวยงามหูได้ฟังเสียงได้ไพเราะ จมูกได้ดมกลิ่นหอมหอมลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยกายได้สัมผัสสิ่งที่มันนุ่มนวลสู้ซาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ลักษณะนี้มันก็กลายเป็นว่าไอ้เจ้าตันหานี่มันก็จะมาบงการให้เราเนี่ยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะหาเวทนาให้ได้รับเวทนาที่มันชอบใจ การกระทําอย่างนี้เราก็ใช้คำมาเสพใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้เพื่อเสพนี่ก็เลยเป็นลักษณะการดําเนินชีวิตด้านหนึ่งของคนโดยเฉพาะปุตรชนก็คือใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในมุ่งปฏิการเสพบํารุงบําเรอให้กายของเราตาของเราได้สิ่งที่สบายมีความสุขทีนี้หันไปดูอีกด้านหนึ่ง ที่ว่าไปแล้วก็คือด้านความรู้แล้วก็ความหลุดพ้นเป็นอิสระจากทุกจากปัญหาด้านนั้นก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันด้านนั้นก็บอกแล้วว่ารู้เห็นในได้ยินในแง่ที่ว่าอ้ออะไรมันเป็นอะไรเป็นตาก็ดูเห็นเริ่มตั้งแต่เขียวแดงขาวเหลืองรูปร่างกลมแบนยาวเหลี่ยมอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนทรงสันฐานแล้วก็ใหญ่เล็กอะไร หูก็ได้ยินเสียงเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงเบาเสียงดังเสียงนกเสียงกาเสียงเสือเสียงอะไรต่างๆเสียงกระถิงเสียงแรดอะไรก็ว่าไปอันนี้ในด้านความรู้เนี่ยเมื่อเรียนรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปคือพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อไปที่สิ่งที่เรียกว่าข้อมูลอ่น พอข้อมูลมันเชื่อมต่อกันมันก็เกิดความรู้มากขึ้นและนี้ก็คือความรู้จากความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆพอสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันต่อมามันก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่มขึ้นทุกทีจากเห็นใบไม้ต่อไปมันก็เห็นใบที่กิ่งไม้มันมีก้านมันเป็นกิ่งไม้เอ้ากิ่งไม้มันอยู่กับต้นไม้นี่มันงอกมาจาก ต้นไม้อะไรต่างๆต้นไม้นี้มาอย่างไงต่อมาก็รู้อา้าวมันมาจากเม็ดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยต่อมามันก็เห็นความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้นะก็ตอนแรกก็เท่ากับว่า เ, าเห็นตัวธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็เห็นความจริงของธรรมชาติก็คือเห็นตัวธรรมะใช่ไหมตัวธรรมดาของมันเนี่ยแต่ว่ามนุษย์เราก็จะรู้ไอ้ความจริงระดับนี้แค่ผิวเผิน พอใช้ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเองไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรถ้ายิ่งรู้ลึกซึ้งมันก็ยิ่งได้ประโยชน์มากนั้นคนที่แม้แต่มีปัญญาความรู้ในระดับของการอยู่ประจำวันเนี่ยที่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เนี่ยก็ยังช่วยผู้อื่นได้เยอะช่วยให้เกิดความเจริญแม้แต่วิทยาการต่างๆการสังเกตการรู้ความสัมพันธ์เรียกว่าเอเห็นเมฆมา ต่อมาก็มีฝนตกอย่างงี้ตอนต่อมาก็รู้ว่าเออนี่เมฆนี่ถ้ามาแล้วมีหวังฝนอาจจะตกอะไรเงี้ยบางทีตกบางทีไม่ตกอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าอาจจะตกนะต่อมาก็จะเห็นปรากฏการณ์อื่นที่แทรกเข้ามาเอ้ยเวลาก่อนฝนจะตกเมฆมามักจะมีลมมาด้วยหรือลมมาแล้วเมฆก็มาไอ้การที่ได้รู้ได้เห็นปรากฏการณ์เหล่านี้แล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ก็ทําให้มนุษย์ได้ปัญญา แล้วก็รู้ว่าจะปฏิบัติต่ออะไรแต่ อ, อะไรยังถูกต้องทําให้ดําเนินชีวิตได้ดีขึ้นด้านนี้ที่สําคัญก็คือเป็นอันว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของเหล่านี้สําหรับรู้เมื่อรู้ก็เป็นทางมาเขาปัญญาแต่ว่าก็อยู่ที่วิธีด้วยวิธีเชื่อมโยงซึ่งมาอยู่ที่การทํางานของอวัยวนะสําคัญคือจิตว่าจะสามารถ ใช้ความเชื่อมโยงข้อมูลความรู้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็คือการคิดนั่นเองถ้ามีวิธีคิดที่ดีก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลความรู้ต่างๆมาเชื่อมโยงกันในลักษณะการที่ว่าสืบสาวเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเหุปัจจัยต่างๆการวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นออกเป็นองค์ประกอบต่างๆแล้วก็เอามาสัมพันธ์กันอีกทีเป็นต้นเนี่ย วิธีคิดเหล่านี้ที่จะทำให้คนได้ปัญญาอันนี้ตอนนี้มันก็เปนว่าด้านที่สำคัญนี้ก็คือด้านความรู้นะเมื่อใช้ตาหูจมูกลิ้นรับรู้ได้ความรู้ข้อมูลนี้ก็เกิดปัญญานะก็ทำให้นุษย์สามารถดาเนินชีวิตได้ดีอันนี้แหละที่เป็นตัวแก้ปัญหาถ้าเราพูดโดยใช้ภาษาไทยก็เท่ากับว่าปัญญานี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาถ้าปัญญามาก็ปัญหาก็หมดไป ตอนแรกเรายังไม่มีปัญญาก็คือวิชาปัญหามันก็มาครอบงำเราใช่เพราะนั้นเมื่อปัญหาครอบงำก็คือทุกนั่นเองเราก็ต้องการปัญญามานปัญญามาก็แก้ปัญหาได้ถ้าใช้สัพพะก็คือเมื่อปัญญามาก็แก้ทุกได้ในที่นี้เราก็ใช้ง่ายๆว่าทุก็คือปัญหานั่นแหละนี่ก็ปัญญาก็คู่กับปักับปัญหาหรือทุก ปัญญาก็แก้ปัญหาไปแก้ทุกไปทาให้เป็นอิสระจากทุกได้ดีด้านรู้นี่เมื่อเรารู้ขึ้นมาพอเรารู้นี่มันได้ประโยชน์แล้วยิ่งมันสามารถเชื่อมต่อโยงกันทำให้เราเห็นทางที่จะทำโน่นทำนี่แก้ไขปัญหานี่พอเราได้ประโยชน์นี่เราชอบมันจะมีความสุขจากการได้ความรู้ขึ้นมานี่ย ดังนั้นคนที่รู้จักใช้อายจตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในการที่จะรู้มันก็ได้เกิดการเรียนนะพอ ร, รู้รูู้นี่มันก็เรียนไปด้วยเรียนว่ามันมาเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเรานั่นเองเรียนก็คือลักษณะที่ว่าเห็นความเห็นประโยชน์ของความรู้ที่มาเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนต่อการำดำเนินชีวิต เรียนก็เอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตเอาความรู้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตเราก็เรียกว่าเรียนรู้นะแล้วเรียนรู้นี่มันก็นําไปสู่การที่ว่าจะทํำยังไงด้วยตั้งต้นแต่ว่าเออพอเรียนรู้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เมื่อเราทําไปเราก็ทําเป็นเราก็ทําสิ่งนั้นได้ถูกต้องเช่นว่าเรารู้ว่าเออไอ ต้นนี้ต้นไม้นี่มันเกิดจากเม็ดอย่างที่ว่าอ๋ออย่างนั้นเราก็เอาหาเม็ดมันมาสิอมบนเม็ดมันอยู่บนอยู่ในลูกเนี่ยนะลูกมันแก่แล้วมันหล่นลงมาเออมันมีเม็ดถ้างั้นถ้าเราเอาเม็ดนี้ไปปลูกที่บ้านเรามันก็ขึ้นใช่ไหยเนี่ยเราได้เรียนแล้วเรียนแล้วก็อย่างนั้นเราก็ทําได้ล่ะทีนี้เราก็เอาเม็ดไปปลูกที่บ้านใช่ไหมทำมันก็ต้นไม้ก็ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแต่พอ ต่อไปไอ้การปลูกนะเอ๊ะปลูกขึ้นมันไม่ขึ้นบ้างเอ๊ะทำไมละ่ะก็ได้เรียนตลอดเวลาว่าทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้อ๋อส่วนประกอบไอ้ดินมันจะอาจจะไม่ดี ล, ลึกไปตื่นไปหรือว่าขาดน้ําเอาไปปลูกไปเฉยๆมีแต่เม็ดไปใส่กระถ่ายดินนึกว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นเราต้องมีน้ําด้วยแห้งมีแต่ มีแต่ดินเฉยๆแล้วก็ถูกแดดทั้งวันร้อนแล้วก็แห้งไม่มีน้ำเลยมันจะขึ้นยังไงต่อมาก็รู้ว่าต้องมีน้ำด้วยอะไรต่างๆเนียต่อมาก็ชนานาญขึ้นก็เรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ก็ได้ฝึกฝนต่อมาก็ชนานาญแม้แต่ในการปลูกต้นไม้การดำเนินชีวิตอะไรต่างๆก็มาจากการเรียนรู้ฝึกฝนไอการที่เรียนฝึกฝนมันก็พัฒนาทาให้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเรียนรู้ฝึกฝ น, นพัฒนานเนียก็เรียกว่าศึกษา ก็เป็นอันว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เพื่อศึกษาหรือเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตอนนี้เพราะว่าเราได้เห็นประโยชน์นี่ในการที่รู้นี่แล้วเราก็เลยมีความสุขจ ก, กันได้รู้ได้เรียนเ่ยเราก็ชอบเกิดความใฝ่รู้ตอนนี้ก็อยากรู้มากขึ้นเพราะยิ่งอยากรู้มากขึ้นนะ เวลาได้เรียนรู้มันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจงกระทั่งถ้ามันสะสมมากๆมันเคยชินจนกระทั่งเป็นคนที่อยากจะรู้ความจริงของสิ่งต่างๆเจออะไรแล้วไม่สนใจในแง่เสพแหละมันสนใจแต่ในแง่จะรู้อันนี้มันก็มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้สิมันมันเลยมองข้ามด้านเสพมันบางทีไม่ค่อยเอาใจใส่ละเพราะนั้นมันก็ทาให้เปลี่ยนแปลง สภาพชีวิตและก็คุณสมบัติของจิตใจและก็วิธีดําเนินชีวิตก็ชักเปลี่ยนไปอย่างน้อยก็มีสองด้านขึ้นมาแล้วด้านหนึ่งนั้นไปใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพแต่อีกด้านหนึ่งนี่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเรียนรู้นี้มีความใฝ่รู้อยากรู้มากขึ้น<อ>ก็มีความสุขจากการได้สนองความใฝ่รู้นั้นแล้วบอกแล้วว่า ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเรียนรู้นี้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาไปรียกว่าศึกษาเราก็ใช้ศัพท์ง่ายๆว่าตาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษาตอนนี้ก็เท่ากับมีทางแยกสองทางด้านหนึ่งก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพอีกด้านหนึ่งใช้เพื่อศึกษาในด้านด้านไฟด้านเสพแกก็จะมีความต้องการเสพที่มากขึ้นมากขึ้น แล้วก็สนองความต้องการเสพนะแกก็สุขจากการเสพทีนี้ฝ่ายศึกษานี่ก็พัฒนาความใฝ่รู้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขจากการศึกษาคือการที่ได้สนองความใฝ่รู้อันนี้ลักษณะที่ต่างกันของสองด้านคือด้านเสพความสุขมันจะขึ้นต่อสิ่งที่ชอบใจ แล้วก็ถ้าไปเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์ใช่เพราะมันมุ่งเวทนาเนี่ยเวทนาที่สบายจึงเอาเสพแล้วก็สุขทีนี้ถ้าเจอเวทนาที่ไม่สบายไม่ชอบใจก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันเสพแล้วทุกข์แล้วเพราะเจอไม่ชอบใจเพราะมันรู้แล้วเนี่ยมันอาศัยความจาเดิมเพราะฉนั้น ความสุขทุกข์ขึ้นต่อสิ่งมาชอบใจไม่ชอบใจหมายความว่าเจอสิ่งชอบใจก็สุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์ทีนี้คนเรานี่มันดําเนินชีวิตไปมันก็ต้องเจอแน่ละทั้งสิ่งชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมดังนั้นคนพวกนี้ที่เป็นนักเสพใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่เสพก็จะมีสุขทุกข์ที่วนเวียนอยู่กับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจวันวันหนึ่งก็อยู่ความชอบใจไม่ชอบใจได้เห็นสิ่งที่ สบายชอบใจก็สุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกมันก็อยู่อย่างเนี้ยวนเวียนอยู่ทีนี้ฝ่ายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้ไอ้คําว่าเรียนรู้นี่มันใช้ได้กับทุกอย่างอะไรก็ตามเข้ามาที่เราเรียกกับประสบการณ์เนี่ยเราเรียนรู้ได้หมดไม่เกี่ยวกับชอบใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเรียนรู้แล้วมีความสุขเนี่ยความสุขของเราไม่ขึ้นต่อสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจ เราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกอย่างที่เข้ามาหมดเพราะฉะนั้นเราในเมื่อเรามีความสุขจากการไฝ่รู้จากการศึกษาเราก็เลยสามารถมีความสุขจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประสบได้เรียนรู้หมดเลยนี่คือจุดต่างนะฮะเป็นอันว่าพวกใช้ตาหูจมูกลิ้นเกื่อเสพเป็นนักเสพแกก็สุขทุกหมุนเวียนอยู่กับเรื่องชอบใจไม่ชอบใจ ฝ่ายผู้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษานี่เป็นสุขทุกขสถานการณ์นี่เรียกว่าพลจากสังสารวัตรระดับที่หนึ่งเลยนะเพราะนั้นต่อไปแกพัฒนามากขึ้นเมื่อความใฝ่รู้มันมากขึ้นนี่มันจะเป็นอิสระจากการเสพเข้าไปทุกทีอันนี้แกเจอปัญหาแกเจออะไรแกมีความใฝ่รู้มากนี่ไอความใฝ่รู้มันยิ่งมากมาทําให้ปัญหากลายเป็นสิ่งที่ทําให้สนองความใฝ่รู้ยิ่งขึ้น ไอ้ยิ่งเป็นปัญหามันยิ่งได้คิดมากนะยิ่งได้เรียนรู้มากเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าไปชอบใจสิ่งไปชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบไอ้เจ้าฝ่ายนักเสพไม่ชอบใจสิ่งนี้แต่ไอ้เจ้านักศึกษามากลับไปชอบเพราะมันได้เรียนรู้เยอะมาได้ชอบสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นต้นแต่รวมแล้วก็คือแก่พ้นจากสังสารวัตรขั้นที่หนึ่งคือพ้นจากสุขทุกข์กที่อยู่กับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจนะฮะ แกสามารถหาความสุขได้ทุกสถานการณ์จากการเรียนรู้เอานะเราก็ได้สองอย่างละฝ่ายหนึ่งก็ดําเนินชีวิตมาโดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพเป็นนักเสพแล้วก็สุขทุกอยู่ที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็สองพวกที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษาก็มีความสุขจากการศึกษาหรือการเรียนรู้แล้วก็สุข ได้จากทุกสถานการณ์ทุกสิ่งที่ประสบทีนี้ฝ่ายพวกศึกษามันไม่หยุดแค่นั้นถ้าฝ่ายเสพมัน จ, จบแค่นั้นวนอยู่แค่นั้นทีนี้ฝ่ายศึกษามันไม่จบเพราะไอ้เจ้าความรู้นี่มันพัฒนามันพัฒนาต่อไปก็คือว่าพอมันรู้เนี่ยมันเห็นอะไรมันได้ยินอะไรมันรู้แล้วมันก็รู้ว่าอ๋อันนี้ อ๋อเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอ๋อพอไปเทียบกันเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ในภาวะที่ดีที่ถูกต้องคนจะเป็นอันนั้นไม่อยู่ในภาวะคนจะเป็นอันนั้นถ้ามันมันฟอมันเหี่ยวอันนี้มันสดชื่นนี่เองใช่ไหมมันเห็นมันรู้หมดพอรู้อย่างนี้แล้วก็อ้าวอย่างนั้นภาวะที่มันควรจะเป็นมันควรจะสดชื่นมันควรจะสมบูรณ์อย่างนี้นี่นะอันนี้ห่อเหี่ยวแห้งไม่ถูกต้องรู้พอเห็น มันเกิดปัญญามันก็รู้ว่าอันนี้ควรจะเป็นอย่างงี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้แล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกอย่างว่าเออมันควรจะเป็นอย่างงี้มันน่าจะเป็นนี่เราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้เช่นเห็นสิ่งที่หอเหี่ยวโทมอะไรย่างนี้ก็อยากจะให้มันสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเงี้เช่นเห็นต้นไม้เหี่ยวก็ต้นไม้ที่มันสมบูรณ์อยากให้ต้นไม้นั้นมันสมบูรณ์ ทีนี้ก็พออยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันแข็งแรงก็คืออยากให้มันดีใช่ไหมพออยากให้มันดีเนี่ยทำไงไอ้มันยังไม่ดีเนี่ยใช่ไหก็ต้องทำให้มันดีก็เกิดการอยากทำให้มันดีตอนแรกก็อยากให้มันดีไอ้จวกความรู้เนี่ยนำไปสู่จุดเนี่ยรู้แล้วก็อยากให้มันอยู่ในภาวะที่ดีที่สมบูรณ์เมื่อมันยังไม่เป็นก็อยากทาให้มันดีให้มันสมบูรณ์ พออยากทำให้มันดีขึ้นมาไอ้เจ้าความอยากนี่ก็คือความต้องการชนิดหนึ่งก็ต้องสนองใช่ไหมและการสนองความต้องการนั้นทำให้เกิดความสุขพอต้องการให้มันดีอยากทำให้มันดีก็ต้องสนองโดยการทำนั้นพอทำปั๊บก็มีความสุขเพราะว่ามันทำให้ได้บรรลุจุดหมายที่ตัวต้องการได้สนองความต้องการที่จะให้มันดีเวลาทาไปนี่ มันก็ค่อยๆกล้าวไปสู่ภาวะที่ตัวต้องการขึ้นทุกทีใช่ไหมตัวเองก็มีความสุขในการกระทำนั้นเรื่อยไปพอทำเสร็จก็มีความสุขว่าได้สนองความต้องการโดยสมบูรณ์ได้บรรลุจุดหมายอันนี้การทำให้มันดีนี่เราก็เราใช้ศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าการสร้างสรรค์ใช่คือการทำนี่ไม่ใช่ทำลอยๆเป็นการทำเพื่อให้มันดีเรียกว่าการสร้างสรรค์ อันนี้เมื่อเขาทําการสร้างสรรค์อยู่นี้เวลาเขาทำเขามีความสุขเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในตอนนี้คืออะไรหนึ่งคือความฝ่ายสร้างสรรค์หรืออยากสร้างสรรค์หรืออยากทําทางพระท่านเรียกว่าอยากทำํำแต่ามาถึงอยากทําให้มันดีแล้วก็สองก็มีความสุขจากการกระทํานั้นหรือจากการสร้างสรรค์นั้นนี่ก้าวไปขั้นหนึ่งแล้นะเพราะนั้นการศึกษาจึงมาสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ จากการศึกษาก็ก้าวสู่การสร้างสรรค์จากความฝ่ายรู้ก็ก้าวสู่ความฝ่ายทําหรือฝ่ายสร้างสรรค์ที่ว่านี้จุดนี้ก็ตรงข้ามกับฝ่ายนักเสพอีกฝ่ายนักเสพนี่สุขทุกข์แก่บนเบียนอยู่กับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจที่มาบํารุงบําเรอตาหูจมูกลิ้นแก่ใช่ไหม เ, เมื่อมันมาบําเรอตาหูจมูกลิ้นแก่แก่ก็สบาย สิ่งที่แกต้องการก็คือมันมาบำเรอตาหูจมูกลิ้นแก่สบายและแกก็ไม่ต้องทำอะไรใช่พวกนี้จะมีความสุขจาการที่ได้รับบำเรอได้รับบำเรอแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรถ้าต้องทำอะไรก็คือทุกขนะ์เพราะฉะนั้นสำหรับพวกนักเศรษาธรรมคือความทุกข์ทีนี้ฝ่ายพวก ศ, ศึกษาแล้วเดินหน้ามาสู่การสร้างสรร น, นี้การกระทา มันสนองความต้องการที่จะไปรู้จุดหมายมันกลายเป็นสุขไปเพราะฉะนั้นมันมีความสุขจะกการกับธรรมฝ่ายนักเสพมีความทุกข์จะ ก, การกับธรรมตรงข้ามอีกนะนี่คือจุดแยกของการศึกษาที่เริ่มมาจากตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้นการศึกษาเริ่มต้นที่นี่เองพอได้แค่นี้แล้วก็เรียกว่าชีวิตนั้นเดินหน้าและพัฒนาถ้าเป็นฝ่ายนักเสพก็ไม่พัฒนาก็จมอยู่ในสังสารวัฏ ฝ่ายผู้ที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นเพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ฝรู้และฝ่ายสร้างสรรค์มีความสุขจากการได้ศึกษาและสร้างสรรค์นี้ก็พัฒนาต่อไปนะก็พ้นจากสังสาระวัตพ้นจากสารสังสารและแห่งความสุขทุกข์จะชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ สามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะว่าการดำเนินชีวิตที่มันต้องทำนี่มันต้องไปเรียนรู้ต้องสู้ปะนะัญหาต้องทำโ น, น่นทํานี่มันอยู่ได้สบายอันนี้ตอนนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็ให้เห็นเรื่องจุดเริ่มของการศึกษาในชีวิตของคนเราซึ่งเราจะโยงไปหาธรรมะแม้แต่สูงสุดในพุทธศาสนาได้หมดว่าเริ่มขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นนัก เรื่องนี้ในพระไตรปิฎกเดี๋ยวเจอและ อ, อ่อาวอึกอักขึ้นมาก็เอาและสิภิกษุหรือบุคคลรับรู้ได้ตาได้หูด้วยจมูกแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายอ้าวแลนี่ถ้ามากระแสนี้ปับก็คือไปสู่ทุกวงจรหรือสังสารวัฏแห่งทุกเกิดขึ้นมาทีนี้พอเกิดเวทนารู้สึกสุขทุกแต่ ไม่ตกอยู่แต่อำนาจชอบใจไม่ชอบใจตั้นหาไม่มาและใช้ปัญญาเรียนรู้พ้นอำนาจของความรู้สึกได้เนี่ยตอนนี้เรียนรู้ก็กลายเป็นว่าพ้นสังสารวัฏไปใช่ไหมแต่ว่าในระหว่างเนี้ยชีวิตของคนเราอย่างที่ว่าแล้วมันมีคนปุทุชนเนี่ยมันจะหนักในทางเสพแต่ว่าเขาจะอยู่กับเสพยอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม เพราะการดำเนินชีวิตที่ดีที่จะอยู่รอดเนี่ยอาศัยชอบใจไม่ชอบใจอย่างเดียวเข้าไปไม่รอดหรอกนั้นเขาเลยต้องอาศัยใช้ปัญญาเหมือนกันตอนนี้แหละที่มันจะมาเกิดความสับสนกันที่ว่าเมื่อมนุษย์หนักในด้านเสพแต่แกก็ต้องเรียนรู้บ้างไอการเรียนรู้นี่กลายเป็นเรื่องจำใจแกนะและแกก็ต้องทําเพื่อแกเพราะว่าถ้าแกอยากจะเสพ แต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้มีให้เสพตลอดเวลาแกต้องหามานี่น่ะใช่ไหมอันเนี้ยมันไ ก, กลายบังคับจําเป็นจะต้องเรียนรู้และต้องทําแต่ที่แกต้องเรียนรู้และที่แกต้องทําเนี่ยแกเป็นความจําใจหมดเลยที่แกต้องทํานี่เป็นเงื่อนไขเพ่อจะให้ได้สิ่งเสพแกไม่ได้ทําด้วยใจชอบไม่ได้มุ่งหมายว่าเออสิ่งนี้มันจะได้ไปอยู่ในภาวะที่ดีของมันได้สมบูรณ์แล้วนอะอะไรแกไม่ได้นึกอย่างนั้นแกจะนึกในแง่ว่าแกจะได้มันมาเสพ อันนั้นเป้าหมายอะไรต่อะไรมันผิดหมดนี้แต่ว่ามันมีการที่ว่าแกจะต้องเรียนรู้บ้างแกต้องศึกษาบ้างแกได้ปัญญาไอ้ปัญญานั้นกลับมาเป็นตัวมาสนองฝ่ายชอบใจไม่ชอบใจมาสนองตัญหาไม่ความตัญหาเป็นตัวแรงกว่าเป็นตัวเจ้าอิทธิพลเป็นผู้นำปัญญาก็กลายเป็นผู้รับใช้ไปใช่ไหม เพียงแต่ว่าหาความรู้มาเพื่อจะสนองความต้องการในการได้สิ่งนั้นมาเสพเท่านั้นเองก็จบแล้วที่ต้องทําก็จําใจทําเพื่อว่ามันไม่ได้มีความสุขในการกระทานั่นหรอกแต่ว่าถ้ามันไม่ทําแล้วมันไม่ได้สิ่งเสพมันก็เลยจําใจทําช่อันนี้ก็เป็นความซับซ้อนอย่างหนึ่ง น, นี้ว่าทําไงเราจะรู้เข้าใจเท่าทันเมื่อมนุษย์รู้เข้าใจแล้วก็จะเห็นว่าโอ้เราจะต้อง อย่าไปอยู่ใต้อำนาจตัณหาที่มุ่งจะเสพก็คือว่าพัฒนาด้านปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็พ้นจากความสุขทุกเพียงแต่ชอบใจไม่ชอบใจรู้จักหาความสุขจากการศึกษาและสร้างสารรค์ให้มากขึ้นการศึกษาก็จะมาช่วยในการที่ว่าทำให้เราพัฒนาชีวิตดีขึ้นถ้าว่าเราไม่เข้าใจหลักการนี้ใช่ ไอตัวเสพไฟเสพตัญหาจะเป็นตัวนำเป็นตัวเจ้าอิทธิพลแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยไปเรียนรู้ศึกษาเป็นต้นเพียงเพื่อมารับใช้ใเจ้าตัญหาที่ต้องการจะเสพเท่านั้นเองต่อไปก็เลยชีวิตก็ไม่พัฒนาเพราะว่ามันมุ่งในด้านเสพอย่างเดียวก็กลับไปหาทางที่จะทำให้เสพได้มากพลนเปลือยในตัวนี้เนี่ย จิตใจตัวเองก็ไม่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ในการที่มุ่งจะเสพก็ต้องหาต้องได้มาเพื่อตนมากก็เกิดการแย่งชิงเวียดเบียนกันในสังคมมากชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงความทุรนทุรายโกรธกรวาในการหาเสพก็มากการเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ได้มีอยู่แล้วหรือว่ามันไม่พอเพราะสิ่งที่ได้เสพเดิมนี่ดีกรีความกระตุ้น ในเรื่องของความรู้สึกมันเบาก็เกิดความเบื่อหน่ายจะหาสิ่งที่รุนแรงยิ่งขึ้นเลยต่างๆแล้วนี้นนี่ตัวเองก็มีชีวิตที่กระวนกระวายมากแล้วก็ต้องแสวงหามากแย่งชิงเบียดเบียนกันมากก็เลยเป็นความเดือดร้อนทั้งตัวตนเองและสังคมทุกในตัวเองก็แผ่ไปสสังคมด้วยนี่ถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องชีวิตที่มัน ดำเนินไปอย่างไรจริงจะถูกต้องอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกก็จะมาพัฒนาชีวิตของตนเองไปในสายในวิถีของการศึกษาและสร้างสารรค์มากขึ้นซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขจากการเรียนรู้และสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วก็เป็นธาตุของกระแสอวิชชาตัญหาและทุกข์ น, น้อยลงเป็นธาตุของการเสพน้อยลงไม่จะเป็นต้องหาการสุขจากเสพมากนักความสุขก็ ขึ้นต่อวัตถุภายนอกน้อยลงเพราะว่าสุขจากการเสพนั้นเป็นสุขที่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกตัวเองสิ่งที่จะมาสนองความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นนั้นมาจากภายนอกต้องไปเอาต้องขึ้นต่อมันความสุขนั้นขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่อยู่ในตัวของตัวเองพอเรามีการรู้ศึกษาและสร้างสรรค์ใ น, นความสุขมันมาอยู่ในตัวเองมันอยู่ภายในไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอก นั้นเขาจะเป็นอิสระมากขึ้นนี่ก็เป็นวิถีของชีวิตสองแบบเอร า, านี้ปัญหาของโลกก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาเรื่องชีวิตของตนเองแล้วก็เอยไปเป็นทาสของการเสพนึกว่าความสุขนั้นอยู่ที่การเสพวัตถุก็มุ่งในการแสวงหาให้มากที่สุด จนกระทั่งกลายเป็นอาริยธรรมไปเลยนึกว่านี่คือความเจริญเพราะนั้นความเจริญแบบนี้ก็เห็นไดน้ชัดมนุษย์ก็ไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขจริงแล้วก็มีการเบียดเบียนกันในสังคมมากแล้วก็ต้องทําลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะก็มีแต่ผลเสียเดือดร้อนกันไปแล้วก็มาบอกว่านี่เจริญนะแล้วก็หาทางแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันจับจุดไม่ถูกนั่นก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ รู้เข้าใจเรื่องธรรมะก็คือศึกษาความเป็นจริงของชีวิตตามธรรมชาติเมื่อเข้าใจตัวความจริงของธรรมชาติแล้วก็ดำเนินชีวิตซะให้ถูกต้องเราพัฒนาไปชีวิตและความสุขจะขึ้นต่อวัตถุภายนอกน้อยลงโดยมีความเป็นอิสระที่ว่าความสุขนั้นเกิดภายในมากขึ้นทุกทีเมื่อความสุขเป็นของภายในตนเองไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากนักนะมันก็ต้องไม่จําเป็นต้องไปแสวแงแย่งชิงกันมาก แล้ว ก, กลับมาเกื้อกูลกันได้ด้วยเพราะการสร้างสรรค์นั้นมันหมายถึงการทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นมันก็กลับมาเกื้อกูลต่อสังคมชีวิตของตัวเองก็เป็นอิสระมีความสุขภายในปลอดโปร่งมากขึ้นด้วยเกือ้อกูลกันในสังคมดีขึ้นการที่จะทําลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นก็น้อยลงมันก็ดีไปทุกด้าน ก็พูดไปเท่าที่จะนึกออกในตอนนี้คิดว่าก็เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับเช้านี้นะฮะมีอะไรสงสัยไหมครับไม่ทราบจะขอการถามถึงเรื่องของปฏิจจสมุูราสทเกี่ยวข้องกับพิธัญญาเอาก็ใช่สินี่แหละจุดปฏิจจสมบูาสตรพระพุทธเจ้าที่ตรัสส่วนมากเนี่ยไม่เริ่มจากอาวิชามาเลยแบบที่ว่าอันเต็มกระบวนการมันจะเริ่มจากตาหูจมูกลิ้น นี่แหละภาษะตาเห็นหูได้ยินเกิดรู้สึกสบายก็ชอบใจไม่สบายไม่ชอบใจเรียกว่ารับรู้ด้วยความยินดียินร้ายชอบชังนี่ก็คือเกิดตัณหาแหละพอตัณหามาก็กระบวนการของปัญหาก็มาเลยพอตัณหามาปัญหาก็มานีตัณหาก็ตามได้ปัญหาคือเสนอว่าที่ผมคิดอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะให้พระเดชพระคุณอาจารย์ ช่วยกรุณาให้ตั้งให้ให้คําแนะนำปฐุมเด็กดนะจังพัสสะแล้วตลอดที่จะมาเป็นเวทนาเนี่ยนะครับที่มีภ า, าษาพากที่เราก็ส า, าสักแต่ว่ารู้เนี่ยถ้าเราสามารถตัดตรงช่วงนี้ได้เนี่ยก็คือคือตรงนี้ใช่ไหมฮะจากช่วงของที่ว่าพัสสะแล้วมาเป็นเวทนาอืมเวทนาไม่ต้องไปตัดเวทนามันเป็นของกลางกลางไ่ได้สักแต่ว่ารู้ลเลยนะก็ อ, อ, อ, อกสักแต่ว่ารู้ก็คือแค่ ค่รู้ความจริงคข้ามาแต่ความรู้สึกมันมีมาเองโดยธรรมชาตไิไอ้ตัวนั้นเราไม่ได้ประคำหนึง่งหมายความว่าตอนนี้ที่ว่ารู้กสัตว์รู้คําว่าสักตาว่านี่ต้องระวังเหมือนกันสมัยนี้ความหมายมันแปลไปแล้วสักตว่ามันกลายเป็นไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ใส่ใจอะไรไปนะสักตว่าหมายความว่าแค่เห็นก็แค่เห็นหมายความว่าคือไม่เกิดไอ้ความรู้สึกปรุงแต่งที่ว่าชอบใจไม่ชอบใจ คือหมายความว่าแค่เป็นความรู้นะคือจะที่ผมฟังท่านล้วจะทรงอา่านนะครับคิดว่าในช่วงระหว่างอักับเวทนานนไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นเพราะว่ามีการสัมผารทั้งตัววิญญาณตรงระหว่างตรงนั้นนะครับ ว, วิญญาณตรงที่ผมว่าเนะครับแต่ว่ารู้ตรงนั้นใช่ไหมครับ ว, วิญญาณรู้ก็หมายความแค่รู้นั่นถูกต้องแต่ว่าเวทนามันเป็นของอถ้าเรียกว่าเป็นเจตสิกที่เป็น สรรพภาษาธณเจตสิกนิถวาตามแบบอภิธรรมแต่ว่าไม่ต้องไปว่าตามอภิธรรมก็ได้หมายความว่ามันเกิดทันทีพร้อมกับวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจมันคือว่ามันเกิดของมันตามธรรมชาติแต่ว่าวิธีปฏิบัติของเราก็คือว่าเราเอารู้เราเอาที่รู้ใช่ไหมไอเวทนามันเกิดก็ว่าปเราไม่ไปใส่ใจใช่ไหมก็คือว่าไม่ได้ไปเกิดปฏิกิริยาที่เวทนา เวทนานั้นเราไปตัดมันไม่ได้เวทนามันเป็นความรู้สึกที่มากับผัสสะผัสสะเวทนาทีนี้ว่าเวทนามาตัณหาจะไม่เกิดเพราะว่าเราจุดจุดเป้าของเราไม่ไปอยู่ที่เวทนารเราไปอยู่ที่ไอตัวที่ตอนผัสสะก็คือว่ามันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมเมื่อามันเชื่อมเรากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหม ผลพ่วงมาเกิดเวทนาแก่เรานะแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจจุดนั้นเพราะถ้าเราไปใส่ใจจุดนั้นเราไปต่อได้ตัณหาปับ๊บจบเลยเราไม่ได้ความรู้ที่ควรจะได้จากสิ่งแวดลอ้อมทีนี้ไอ้ผัสสะนี่มันตัวต่อทําให้เราได้ความรู้ใช่ไหมเราก็อยู่ที่ภาาัสสะนี่เราก็ที่บอกว่ารู้ก็แค่รู้ก็หมายความว่า อ, าอยู่แค่ความรู้นะนีะ่ไอ้นี่เขียวแดงเหลืองเป็นความรู้นีถ้าเรียกว่าญาณมัตตายาสติมัตตายะ รับรู้เพียงเพื่อรู้อะไรเป็นอะไรมาคืออะไรเป็นอย่างไรนะแล้วจะต่อไปสู่การรู้ธรรมชาติของมันมาเป็นนิจจ์ทุกขังนั้นตามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วสติมัตตายะเพื่อสําหรับระลึกคือหมายความเราก็ได้ข้อมูลแล้วอ๋อได้ข้อมูลไว้สําหรับใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของเราต่อไปสติก็ได้ข้อมูลไว้ระลึกนะอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดของเราก็คือว่าไอจุดที่ว่า เราจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรถูกต้องถูกไหมทีนี้ถ้าเราไปไปติดกับไอ้ผลพวงที่มาจากภรรษะการรับรู้คือไปเวทนาซะเราก็ไม่ได้ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมแล้วใช่ไหมเราก็กลายเป็นว่าเราไปหลงไปเอาที่ความรู้สึกแล้วก็ไปต่อด้วยตันหาความพอใจไม่ชอบใจก็เลยไปเลยปรุงแต่งไปทีนี้เราไม่หลงไปตามไอ้ตัวพว่วงคือเวทนาเราก็อยู่กับภรรษะ เราก็เห็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเราก็รู้มันตามเป็นจริงเลยถูกไหมดัง น, นั้นจริงบอกว่ารู้ก็แค่รู้เห็นแค่เห็นได้ยินแค่ได้ยินก็คือหมายความอยู่กับไอ้ตัวความรู้นะอยู่กับตัวความรู้นะอย่าไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กับความรู้สึกถูกไหมแต่ความรู้สึกนั้นห้ามไม่ได้มันเป็นเวทนาเป็นฝ่ายที่เป็นตัวตัวที่พ่วงมากระพศาพอกระพศาปับ๊บเวทนาก็เกิดแต่ว่า เวทนาตัวนี้จะไม่ตอบไปตัณหาแสดงว่าเวทนาที่ปพเดชท่านคุณบัญญานี่คือสองระดับคือเวทนาที่เป็นตามกธรรมชาติก็คือความรู้สึกเจ็บปวหรือความรู้สึกเมื่อยหรือว่าแต่เวทนาระดับนึงเป็นเวทนาที่เกิดจากความรู้สึกชอบสุหรือว่าทุกข์อะนับปรุงแต่งเวทนาที่เกิดจากปรุงแต่งอีกตอนผมก็เลยมองในกระบวนการนี้อยากทรมูลเวลาท่านพเดชนิพพานแต่เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก้อนนี้ก่อนแต่ไม่ว่าเวทนานั้นจะมาจากผัสสะเบื้องต้นก็ตาม การปรุงแต่งก็ตามมันก็เป็นเพียงตัวพาสิฟิตมันไม่เป็นตัวปฏิกิริยาไม่เป็นสังขารไม่เป็นตัวการกระทําเพราะฉะนั้นถึงจึงแยกเป็นโคนละขันไงไม่อยู่ในสังขารละขันเพราะว่ามันมันเป็นเพียงตัวที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเอาอย่งไงกับมันถ้าเรามีปฏิกิริยาต่อก็คือชอบใจไม่ชอบใจตอนนี้แหละเป็นการกระทําของเราแล้วถ้าเป็นเวทนานี่ เป็นท่านเรียกว่าเป็นวิบากเป็นฝ่ายผลดังนั้นเวทนานี้ก็คือเพียงแต่ว่าเราอย่าไปมีปฏิกิริยาต่อมั น, นเราไม่ไปจุดเป้าของเราที่เราเกี่ยวข้องเราไม่ไปจับที่เวทนาเราไปจับที่ข้อมูลความรู้ใช่ไหมดังนั้นเราก็ไปอยู่ที่ปัจจะนั้นปัจจัตัวนี้ก็ให้ประกอบด้วยไม่ประกอบด้วยตัว อวิชาตัญหานะมันก็มาเป็นเรื่องของการรู้ไปเทั้ง น, นจุดสำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ตรงที่รับรู้ว่าทาไงจะอยู่ที่ตรงจุดผัสสะนะแล้วก็ไม่ให้แล้วมันก็ตัดตอนเองเวทนาก็จะไม่ตามด้วยตัญหาใช่ไหมี่นีสงสัยอะไรประเดน ท, ที่ผมคิด น, น, นะครับาคงจะไม่ได้ขัดแย้งกับประเด็นที่คุณด้ปฏิบัติ ผมไม่ได้มองตัวภาษากับเวทนาเนี่ยอย่างที่พระเดชพระคุณ่พระเดชพระคุณมองใน ท, ทันทีที่มันเกิดพอดีของผมก็ดีไปคิดและไปขยายความเอาเองความรู้สึกนะฮะความรู้ที่ตัวเองศึกษา ม, มาผมก็ไปมองว่าในช่วงภาษากับเวทนามีวิญญาณเกิดขึ้นตัวรูท้ทราบแต่วุฒิเกิดที่จุง น, น, นั้นหนึ่งแล้จากเวทนาที่ไปเกิดตัณหาที่ผมมอกว่ามีสังขารเข้ามาเกี่ยวถ้าเราสามารถจับสังขารในช่วงระหว่างเวทนาไปตัณหาได้เราก็จะดับเหตุการปุ่งแต่งตรงนั้นได้ แล้วมันก็จะเป็ดใ น, น, นสองลักษณะเขาจุดสักแต่ว่ารู้ในช่วงตรงที่วิญญาณเกิดกขาดัดดับไอ้ตัวสังขานในช่วงเวทนาเป็นปัญหาผมก็เลยมองว่าการการที่จะพ้นในลักษ์อย่างนี้มันมีเกิดได้สองช่วงแล้วแต่ว่าเราเราจะจับตรงช่วงไหนแต่ที่พิเศษเพระคุณบรรยายเนี่ยผมเห็นด้วยทุกประการแต่ว่าลักษณะของการคือที่ผมคิดประเด็มานลักษณะอย่างนั้นไม่ทราบวา่าจะจบต้ อ, องหรือเปล่าคือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความละเอียดซับซ้อนเพราะว่า ทันทีที่เกิดชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยสังขารแล้วเพราะว่าตัณหาเนี่เป็นสังขารนะนะ ต, ตัวมันเองก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นแต่ว่าถึงตัดตอนมันตัดได้ทุกตอน ค, ค, คือตัดได้เกือบทุกตอนเลยในกระบวนการปรจิจจสมบัติแต่จุดสําคัญจุดแรกก็คือตอนรับรู้นี่เลยนะตอนนี้อันนี้ ส่วนว่าถ้าเราไม่ทันจุดนี้เราจะไปตัดที่ไหนก็เรื่องของเราอตอนนั้น อ, อีกเรื่องหนึ่งหมายความว่าเอาเป็นว่า อ, อตอนนี้ผมไม่ทันจะเลยจะทําไงทีนี้ก็ไปตัดตอนหลังสิใช่ไหมแต่ว่าจุดสําคัญที่เราใช้เป็นหลักก่อนก็คือว่าตรงนี้พอรับรู้ปั๊บเนี่ยทำไงจะตัดกระแสแต่ว่าพอรับรู้ปับ๊บวิญญาณที่รู้เนี่ยเวทนามันเป็นตัวที่เกิดทันทีมันมาด้วย แต่ว่าเราไม่ไปพุ่งเป้าไปที่เวทนาเราไม่มีปฏิกิริยาต่อเวทนามันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกที่ เ, เป็นเวทนานั้นใช่ไหมแต่ว่าไอ้จุดสําคัญก็คือขนาดนี้การรับรู้ของเรามันเป็นไปได้วยตัวปัญญาความรู้เลยนะก็รู้ตรงไปเลยต่อสิ่งนั้นว่าคืออะไรท่านนั้นเองใช่ไหมก็เวทนาที่มีรู้สึกก็เลยไม่ตามมาด้วยตัณหาใช่ไหม น, นั้นเวทนาก็เลยไม่เป็นตัวเด่นในกรณีนี้แต่ว่าแต่ว่าต้องระวังอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะเข้าใจเป็นเวทนาเป็นตัวสาคัญเวทนาเป็นเพียงผลพวงที่เกิดมากับการรับรู้ใช่อันนี้เวทนาไม่ใช่ชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจคือตัณหานะนี้อันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันเรื่องการใช้สั์เพราะว่ามีการแปลเวทนาทำให้เข้าใจไปว่าชอบใจไม่ชอบ ต้องระวังถ้าใช้ภาษาอังกฤษจะบอกว่าเวทนานี้เป็นแพสซีฟถ้าเป็นชอบใจไม่ชอบใจเป็นตันหาเป็นแอคทีฟใช่ไหมจะพอชัดไหมชัดครับเ อ, อาเรื่องคนธรรมดครับเออมนุษย์มีอะไรทามีความเจริญเหตุผลการสนองตอบ ต, ต่อเกเรตปัญหาและความต้องการเสร็จรับแล้วอาสาจักที่ไม่มีอะไรทำไม่มีความเจเรเิญไม่เข้าเห็ดไหนอ๋อหมายความว่าไอ้นี่แงอื่นคือว่า แต่ทีนี้มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ไงแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้ความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยไปสนองไ ป, ไปเป็นรับใช้เสพซะชูไหมแทนที่จะพัฒนาดัานนี้ทีนี้สัตว์มันไม่มีความสามารถอันนี้มันได้แต่เสพ <laughs> เสพแต่ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถฝึกหรือฝึกไม่ได้มันก็เลยจบเท่านั้นเพราะฉะนั้น <laughs> ไอตัวที่จะทำให้มนุษย์จเจริญในอารยธรรมมันอยู่ที่ฝ่ายไหนมันอยู่ที่ศึกษาสร้างสรรค์ถูกไหมฮะแต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีไอตัวฐานที่ว่าเสพอยู่ด้วยทีนี้มีความสามารถศึกษาและสร้างสรรค์กลับเอาความสามารถศึกษาสร้างสรรค์ไปรับใช้ฝ่ายเสพถูกไหมฮอารยธรรมมันก็เลยมาในรูปนี้ไม่สามารถช่วยให้มนุษย์พ้นไปจากปัญหาได้อย่างแท้จริง พอไปพัฒนาไปอริยธรรมมากขึ้นเอ๊ะปัญหาไม่ลดลงใช่ไหนนี้ทำไงว่าจะเข้าใจหลักการนี้ได้ไหมแม้แต่เพียงว่าเมื่อมนุษย์พัฒนามากขึ้นเขาเป็นอิสระมากขึ้นความเป็นอิสระนี่คืออย่างไรอ่าเราว่าความเป็นอิสระนี่เช่นความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไ ถ้าพูดแค่นี้ปั๊บมันขัดกันกับพออระอารยธรรมปัจจุบันแล้วใช่ไหมพระอารยธรรมปัจจุบันมันไม่มองว่าความสุขของมนุษย์นี่พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วความสุขที่ประนีตขึ้นพัฒนาขึ้นนั้นก็คือขึ้นต่อวัตถุเสพน้อยลงเพราะว่าอริยธรรมปัจจุบันมันมองเป็นว่าเออความสุขมากขึ้นก็คือได้เสพมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นฐานมันไปสนองไอตัวแนวเสพใชแล้ว การใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมันยังมาเน้นจุดนี้อยู่นั้นการที่มันต้องศึกษาสร้างสารรค์มันเป็นเพียงตัวเมื่อนไขจำใจใช่เพราะเพื่อตัวจะได้เสพได้มากอะไรต่างๆมันก็เลยต้องเรียนรู้ต้องสร้างสารรค์เลยมันทำมันเรียนมันรู้มันศึกษามันสร้างสรร์เพียงเพื่อมาสนองไอ้ความ ไฟเสพหรือต้องการเสพไปหมดเลยแทนที่ว่าจะช่วยดึงให้มนุษย์นี่ให้เป็นธาตของการเสพน้อยลงมันไม่อย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์มีความสามารถไอ้ที่สร้างอริยธรรมได้มันอยู่ที่ตัวศึกษาและสร้างสรรค์แต่มันกลับเอาไอ้เจ้านั้นมารับใช้ไอ้เสพซะนิดนเนี่ยท่นปัญญาเป็นเอาไปสู่ความเป็นชายข่านน้ำเป็นเอาไปสูความเอาไปสู่ความเป็นธาตุก็อย่างนั้นอแต่ทีนี้ว่าตอนนี้มนุษย์มัน มันไปสนองตันหาใช่ไหมมันมุ่งที่การหาเวทนาที่เป็นสุขเสพก็เลยกลายไปว่าที่มันสร้างปัญญาให้ปัญญานั้นกลับมารับใช้ในสาย อ, อก็อแล้วแต่จะคิดอันนั้นแต่แต่มันรวมแล้วมันคือแก้ปัญหาไม่ได้ทุเบกขาเนี่มันเป็นทางด้านปัญญาในขณะเดียวกันจะทางด้านโมหะเนี่ยมันก็มีทุกข์ทุกข์ ใไหครับอุเบกขาเนี่เป็นศัพท์ใช้แทนกันได้กับอุทุมสุขเวทแต่ส่วนที่ผมอว่าทางด้านโมหะมหันก็ทำให้กเกิดความรู้สึกเฉยเอย่างนี้ได้คืออ้าวนี่นี่อุเบกขาเวทนานี่แหละจะมากับโมหะเป็นหลักเลยนะฮะไปคืดส่วนมากหมายความว่าพอสุขมักจะโลภเกิดใช่ไหมอยากได้พอทกุก็โทสะเกิดง่ายนะทีนี้พอเพลินลก็โมหะมา เฉยๆนี่แหละโมหะมาดินนะมันก็กลุ่นๆเพลนๆะโมหะเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยจะมากับโมหะเป็นตัวหลักเลยทีนี้อุเบกขาของพระอรหันตนะ์น่าต้องพูดอีกแบบเลยนั้นอุเบกขาอีกแบบหนึ่งนะอุเบกขาถ้าจึงแยกเป็นตั้งสิบชนิดอนะ่าอุเบกขาเนี่ยต้องเรียนรู้เยอะเพราะว่าคนไม่รู้เรื่องลูรามก็อุเบกขาเหมือนกันคนที่รู้จนจบก็อุเบกขาเหมือนกันนะ เพราะว่าสองคนคนหนึ่งเฉยเพราะรู้อีกคนหนึ่งเฉยเพราะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมทีนี้สําหรับบุตุชนเนี่ยมันเฉยเพราะไม่รู้รเนีเพราะนั้นพภาวทนาที่เป็นอนทุกขามาสุขเกิดก็คือมันเพลินเโมหะ ก, ก็ครอบงำจิตไปเรื่อยๆก็แสดงว่าอุเบกขาได้มีความหมายโดย<ะ>ทั่วไปหนึ่งญญหนึ่งความหมายแล้วก็มีความหมายในลักษณะที่เป็นเป็นข้อธรรมในผู้ชมหรือว่าในในภพมิถ اني มันมันอยู่ในเวทนามัน คือตัวเวทนาเนี่ยนะมันเป็นกลางๆงที่พูดไปแล้วไงเวทนาะนี่เป็นกลางกลางทีเวทนามันแบ่งเป็นสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขหรือว่าสุขทุกขโสมนสโทมณตอุเบกขาใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวเวทนาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเองมันไม่เป็นกุศลนกุศลถ้าเรียกว่าเป็นอัพยกฤจเพราะมันเป็นวิบากมันเป็นฝ่ายผลเพราะฉะนั้น มันไม่ดีไม่ชั่วอันนี้เมื่อไม่ดีไม่ชั่วอะไรล่ะที่มันดีมันชั่วก็คือไอ้ตัวที่ประกอบอยู่กับเวทนานั้นในขณะที่มีเวทนานั้นจิตมีคุณสมบัติอะไรอื่ น, นจิตก็จะมีโลภะหรือมีโทสะมีโมหะมีปฏิกิริยาหรืออะไรยังไงนี่แหละอันนั้นสิที่มันดีมันชั่วมันไม่ใช่ว่าดีชั่วที่ตัวเวทนานมันไปดีไปชั่วไอ้ตัวที่คุณสมบัติอื่นที่ประกอบอยู่กับ จิตในเวลาในเวลาที่มีเวทนานั้ น, น, นยังมีเวลามีอุเบกขาวเวทนามีความรู้สึกเฉยๆเนี่ยในเวลานั้นจะมีคุณสมบัติซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติมักจะเป็นฝ่ายร้ายก็คืออโมหะมันจะมาครอบงำจิตใ จ, จยอยู่ไอ้ตัวที่มันเป็น <c oughs> อกุศลหรือร้ายก็คือโมหะนี้นะไม่ใช่ตัวเวทนาเองอันนั้นเวทนาเนี่ยอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองอย่างคือ <c oughs> เวทนาไอ้ขอภัยอุเบกขาเราแบ่งเป็นสองอย่างอุเบกขาที่เป็นเวทนากับอุเบกขาที่เป็นสังขารนี่คือหลักการแยกใหญ่ในเมื่อเราแบ่งเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเวทันไอ้ขอภัยอุเบกขาเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาในเวทนานี่อย่างหนึง่งกับอุเบกขาในสังขารอย่างหนึง่งทีนี้อุเบกขาในเวทนานี่แหละที่ว่าเป็นกลางกลงไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นกุศลนกุศล เพราะฉะ น, นั้นเวลาเราพูดว่าอุเบกขาถ้าเราหมายถึงเวทนานะมันจะเป็นของกลางๆแต่ว่าสําหรับพุทุชนอุเบกขาเวทนาเนี่ยมักจะมากับโมหะในในโมหะก็อยู่ในสังขาระสังขารที่เป็นโมหะจะมากับเวทนาที่เป็นอุเบกขาส ำ, สำหรับพุทุชนแต่สําหรับพระอรหันต์ท่านมีอุเบกขาเวทนาแต่ในจิตของท่านมีปัญญานะไม่ประกอบด้วยโมหะ แล้วก็เลยเป็นอุเบกขาในสังขารด้วยจะมาอุเบกขาในสังขารอุเบกขาในสังขาร น, นี่ท่านเรียกว่าตัตระมัชตตานะีเพราะนั้นบางทีก็พูดเต็มวาอุเบกขาตัตระมัชตตาเป็นภาวะจิตที่เป็นกลางกลางมีภาวะดุลยภาพนะอยู่ตัวได้ที่นะเรียบสงบอุเบกขาในโพชฌงก็เป็นอย่างหนึ่งในบรรดา10บอย่าง มีหมายความมีเยอะอุเบกขาอุเบกขาตารวมแล้วก็อย่างที่ว่าให้เป็นอุเบกขาในเวทนากับอุเบกขาในสังขารถ้าเป็นอุเบกขาในสังขารขันนี่จะหมายถึงอุเบกขาที่เป็นตัวดีนะถ้าเป็นอุเบกขาในเวทนานี่เป็นกลางกลางแล้วก็แล้วแต่จิตในขณะนั้นถ้าเป็นจิตที่มีโมหะอุเบกขามันจะเปิดโอกาส ให้โมหะเข้ามานะแต่นีนี้ว่าถ้าจิตนั้นมีปัญญารู้ถึงที่สุดก็จะอุเบกขาเหมือนกันนะแล้วจะเป็นอุเบกขาในสังขารขันธ์ที่เป็นตัวกุศลธรรมแล้วก็อุเบกขาเวทนาก็จะพ่วงมาด้วยเลยนะพอจะเข้าใจนะฮะก็ต้องแยกให้ถูกที่ว่ า, านะฮะ กิเลสกับปัญหาจริงๆกผมมองว่ามั น, ม, นมันคือเป็นตัวเดียวกันที่จะาัการแต่งมันจะแบ่งแตอกิเลสเป็นคำกว้างที่สุด ค, คือว่าไม่ว่าอะไรไอ้ที่เป็นฝ่ายร้ายจัดเป็นกิเลสหมดมันเป็นคำที่นิยมใช้สมัยหลังในสมัยพระพุทธเจ้าพุทธพจน์เองตัดคําว่ากิเลสเนี่ตัดไม่กี่แหง่งแต่ยุคหลังนี่ใช้มากเหลือเกินเอาเป็นว่าใน พระใจบิดกใช้คําว่ากิเลสน้อยแล้วมาใช้ในพิธามบางพอสมควรในพระสูตรในี่ใช้น้อยพูดถึงนิดหน่อยเท่านนะั้นคุณพี่จะใช้ในความหมายหไหนคนรับกิเลกก็ความเศร้าหมองตัวมันเองมันแปลงกันนะ่ะกิเลสแปลว่าภาวะที่ทําให้เศร้าหมองคุณมัวหรืกมหมย อ, ย ก, อก็เป็นสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองฮะอันนี้ ย, ยุคหลังยุคอัตฉริยนี่นิยมใช้มากสัพ์นี้ นิทานหาก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะก็ถือว่าถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้กว้างก็ใช้กิเลสตัณหาก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสเป็นกิเลสเ ป, ประเภทหนึ่งตัณหาเป็นต่อธรรมารมณ์ก็ได้นะทุกอย่างแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารเอยขอภัยรูปเสียงดินรถผลพธพาธรรมารมตัณหาต่อธรรมารมต่อสิ่งที่คิดนึกในจิตใจก็ได้ ตัดนามธรรมต่อสิ่งที่คิดนึกอะได้ทั้งหมดเลยมากมักใช่เลยวัดท่านแยกประเภทเสร็จแล้วตัณหารูปตัณหาสัทธตัณหาขันธตัณหารสตัณหาโผดทัพตัณหาธรรมตัณหาตัณหาในธรรมนี้นั้นไม่ได้จำกัดแล้วก็ยังแยกสามกับกามบัตัณหาภาวตัณหาวิปัตตัณหา แยกหกก็ได้แยกหกก็คือแยกสามนี่เป็นด้านต่างๆของตัณหาที่แสดงออกทีนี้แยกหกก็หมายความว่าเป็นตัวเป้าหมายของตัณหาตัณหาต่อรูปตัณหาต่อเวทต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อผลสัพนะตัณหาต่างๆก็แยกตามสิ่งที่เข้ามาทางอายตนะนะแล้วทันเรียกว่าตาม สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์ที่ภาษาไทยมันสับสนต้องระวังก็พอเห็นนะฮะเข้าใจก็เป็นอันว่าคําว่ากิเลสเป็นคําที่นิยมในยุคอาตตะถาเป็นต้นมาเป็นศัพท์ที่มีความหมายกว้างมากครอบคลุมไปพวกสิ่งที่ร้ายร้าไม่ดีไม่งามทั้งหลายรวมทั้งตัณหาก็อยู่ในกิเลสด้วยในยุคหลังๆมีการให้จํานวนซะด้วยบอกกิเลสพันห้าว่าเงนิน ก็ไปเทียวหากันดีว่ากิเลสตันพันหมีอะไรบ้างร้อยแตันหาร้8ตันหาร้อแปนั้นมีในพระไตรปิฎกแต่ว่ากิเลสพันหไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะอย่างอ่าสมัยที่ผมเรียนกิเลสจะประกอบไปด้วยโทลสะโลภะโทสากะโมหะแล้วก็ตะท่องมาว่กิเลสประกอบไปเป็นสามตัวไม่ตัวศัพ์จริงเรียกว่าอกุสลมู่ โลภะโัวสะโมหะของการศึกษาระดับประฐมศึกษาและพุทธายุศึกษาเรียนมาอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามีอยู่สามตัวแล้วผมก็เลยเข้ามาตลอดแล้เป็นแค่ๆว่าเขาต้องการจะพูดให้ง่ายแต่ว่าที่จริงไม่ใช่ศัพท์ทางวิชาการโลภะโัวสะโมหะนี่ชื่อจริงเขาเรียกว่าอากุศลมุนอย่างนี้ตัวที่ทําให้เกิดตัณหานี่คืออวิชชาและประธานใช่ไหมที่เป็นตัวที่ทําให้ตัณหาอ๋ออวิชชาเป็นปัจจัย วิช า, า, าเป็นปัจจั ย, าายและป<ล>ัญหาแรงขึ้นก็เป็นอุปาทานครัแลักในทางกับกับอุปตานก็กลับมาเป็นตัวที่เราไม้ปัญหาแรงขึ้นด้วยครับเปลอ๋อ้ความเป็นปัจจัยนั้นแน่นอนเป็นปัจจัยกกันแต่ว่าโดยตัวตั ว, ตวเอื้อสําคัญเนี่ยก็คือตัววิชามาเปิดโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นวิาวชาจึงถือเป็นมูลเป็นตัวเปิดโอกาสแก่ไอ้สิ่งที่ร้ายทั้งหลายนี่ครับ เพราะว่าอาวิชามันหายไปปัญญามาไอเจ้าพวกนี้ถูกตัดโอกาสตั้หาเป็นต้นอุปาทานเลยถูกทําลายถูกถอนกาลังนั่นนั้นถ้าปัญญาไม่มาอาวิชามันอยู่ใช่ไหมมันก็ให้โอกาสเจ้าพวกนี้เพิ่มคุณเพิ่มกําลังขึ้นไปนี่ในเมื่อเจ้าพวกนี้ทํางานอยู่อวิชาก็ยิ่งเต็มที่อยู่ด้วยใช่มไหมอวิชานี่มัน เราไม่ต้องไปพูดมันเพิ่มเพราะว่ามันมันคล้ายๆว่าเป็นพื้นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเป็นแต่เพียงว่าจะมีปัญญาเข้ามาแล้วมันก็น้อยไปแสดงว่าทุกอย่างในโลกที่มันมีวัฏฏะเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านดีจะเป็นด้านด้านร้ายก็มีวัฏฏะของมันอยู่มันก็หนึ่งคือเป็นมูลแล้วก็กลับมาหนึ่งตัวมันเองแล้วก็เป็นมูลสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ก็เป็นระบบปัจจัยสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ก็หนุนกันในลักษณะต่างๆแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างที่พูดไปแล้วว่าปัจจัยไม่ได้หมายความแบบเหตุปัจจัยเป็นตัวเอือ้อแม้แต่เอื้อโอกาสเรีว่าเพราะอันนั้นมันไม่มีอยู่เจ้านี้ก็เลยเกิดได้การที่เจ้านั้นไม่มีแล้วทาให้เจ้านี้มีโอกาสเกิดนี่เรียกก็เป็นปัจจัยเหมือนกันอเข้าใจนะจจคําว่าปัจจัยไม่ใช่หมายความว่าเอออันนั้นมันทาให้อันนี้เกิดไม่ใช่นะมันเปิดโอกาส แต่ถ้ามันไม่เปิดโอกาสเจ้านี้มาไม่ได้เหมือนกันน ะ, ะนี่เรียกว่าเป็นปัจจัยปัจจัยมีความหมายหลายอย่างในพิธรรมท่านแยกเป็น24อย่างหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆเนี่ยมันมาเกื้อหนุนกันโดยอาการ24บแบบจึงเรียกว่าปัจจัย24่สิบเบขามีส0บเประเภท ก็อุเบกขาบอกแล้วไงบอกเอาแยกง่ายๆก่อนอุเบกขาเวทนาก็เบกขาในสังขารนะฮะแยกให้ได้หรือจะแยกอีกแบบก็ได้บออุเบกขารู้กับอุเบกขาไม่รู้อุเบกขาไม่รู้ก็เรียกวัญญานอุเบกขาคือเฉยโง่แล้วก็เฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนี้แล้วเปอุเบกขาโง่อ่อุเบกขาโง่แบบนี้นะเป็นอุเบกขา เฉยในท่าทีของสังขารเหมือนกันนะอันั้นก็เป็นอุเบกขาแบบนี้นี่ไม่ดีแต่ว่าอุเบกขาในสังขารก็จะมาพ่วงกับอุเบกขาเวทนาความรู้สึกก็จะเฉยเฉยไปด้วยนี่ก็แปลว่าเฉยเพราะรู้ก็เฉยเพราะไม่รู้เอาบ้างนะฮะ ไว้นึกออกให้พูดต่อบางทีว่าจะพูดน่นพูดนี่มันพูดไปแล้วมันก็เลยว่างหายไปก็ลเลยไม่ได้พูดให้หมดถ้าจำไปก็ถือเป็นทวนไปก็แล้วกัน